บรรลุพระอราหันต์ไปท่านไม่บรรลุอะไรเสร็จแล้วท่านได้รับพยากรนะว่าวันหนึ่งข้างหน้าอีกเสียสงไข่แสนมหากัรส่งไข่หก็10ยกกําลังร้0ยหประมาณนั้นบางควนว่าร้อเสียสงไข่แสนมหากัรทําไมต้องมีคําว่ามหากักรกับมีหลายกับ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 ที่น่ากลัวซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความสุขภายใต้ความสวยงามน่ใจที่บารมีเต็มแนละ้วมองเห็นในพระจปีโดก็มีหลายองค์ที่เป็นแบบนี้องค์หนึ่งคือพระยะสะพระยะสะเป็นลูกเศรษฐีมีปราสาทสามฤดูเหมือนกันคำว่าปราสาทก็คือเรือนที่มียอดอย่างเรือนของเราหลังคาก็ธรรมดาไม่มียอด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 ใครเคยเป็นบ้างมีไหมยกมือให้ดูนะซิพวกนี้มีของเก่าเนี่ทำมาแต่ชาติปังก่อนอยางบางคนนะดูจิตได้เองตอนตกใจตกใจขึ้นจิตไหววับเงินสติระลึกขึ้นได้เองเยตื่นขึ้นมาเลยแต่ไปต่อไม่เป็นมันลืมไปอีกเจ้าชายศริทัศน์ก็เหมือนกันตอนเล็กๆ เ, เลยทำอานาปนาสติจิตตื่นขึ้นมาแต่ท่านไปตอไม่เป็นท่านก็ลืมไปอีก